ชื่อมนัสสกตะสมัยนั้นพรามมหาศารหรือพรามที่เป็นเศรษฐีผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนพักอาศัยอยู่ในตำบลบ้านนั้นเช่นวังกีสพรามตาลุกขพรามปกครสาสติพรามชานุสโสนิพรามโตเถยยพรามและพรามที่มีชื่อเสียงอื่นๆคำสนทนาของมนุษย์สองคน มานพสองคนคนหนึ่งชื่อวาเศรษฐะผู้สืบสกุลวาสิทธะอีกคนหนึ่งชื่อภารัตวาชะผู้สืบสกุลภารัตวาชะเดินสนทนากันถึงเรื่องทางตรงที่จะไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมมานพชื่อวาเศรษฐะอ้างถ้อยคำของโปกคระสาติพราหมณ์มานพชื่อภารัตวาชะอ้างถ้อยคำของตารุขพราหมณ์